เคยมีพระเซนสามรูปนะเจ้าไปที่ญี่ปุ่นไปเยื่อมวัดหนองประพง์แล้วก็ไปกราบหลวงพชาดัน ท, ทีที่แนะนำตัวเสร็จก็ถามหลวงพชาขึ้นมาว่าภาวนาเนี่ยภาวนาไปทำไม ภาวนาเพื่ออะไรทําไมถึงภาวนาภาวนาแล้วได้อะไรหลวงพ่อชาอาจานที่จะตอบอานที่อธิบายก็ย้อนถามกลับไปว่าเนี่ยกินข้าวไปทําไมนะกินข้าวเพื่ออะไรทําไมถึงกินข้าวกินข้าแล้วได้อะไร ให้ปุ่นได้ฟังก็ก็เข้าใจนะแล้วก็พอใจกับคำตอบนะเป็นการอธิบายประโยชน์นะของการภาวนาโดยที่ไม่ต้องแจกแจงอะไรมากนะเป็นอธิบายโดยใช้คำถาม เพื่อเชื่อเห็นว่าภาวนาบมันก็ไม่แตกการกินข้าวนะการกินข้าวสำคัญอย่างไรภาวนาก็สำคัญอย่างนั้นแหละแต่ก็แปลกนะเพราะว่าเวลากินข้าวเราก็ไม่ค่อยถามนะว่ากินข้าวไปทาไมกินข้าวแล้วได้อะไรแต่พอ พูถึงภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมผู้คนมกักจะถามถามนั่นถามนี่อย่างพระเซนเนี่ยใจจริงคำตอบมันก็ง่ายภาวนาก็ไม่ต่างาการกินข้าวนะเรากินข้าวเพื่อบำรุงกายภาวนาก็เพื่อบำรุงใจแต่ก็จะต่างกันหน่อยเพื่เรา กินข้าวเรากินเป็นเวลานะมื้อหนึ่งบ้างสองมื้อบ้างสามมื้อบ้างส่วนใหญ่คนเรากินเป็นเวลาแต่ภาวนาจริงนี่มันมันไม่ควรจะเป็นเวลานะควรจะทำเรื่อยๆนะทำทุกโอกาส หลวพ่อเขียนเคยพูว่านี่นักภาวนาเองเป็นนักเจอโอกาสเจอโอกาสเพื่อการปฏิบัติธรรมเจอโอกาสที่มีเพื่อการภาวนาสร้างสติสร้างความรู้สึกตัว <c oughs> มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ทำทันที มเมือกินข้าวกินข้าวนี่มีอะไรว่างก็กินนี่ก็ไม่ได้นะถ้าว่างเมื่อไหล่กินบรร น, นั้นนี่ก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่กินจุกกินจิตนี่สุขภาพก็จะแย่จากการปฏิบัติทางริพภานานะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะว่างเมื่อไหล่ก็ทำเลยเตือนสติทำความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้น เพราะอะไรก็เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหรไม่รู้จะตายเมื่อไหรความตายจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็ได้เพราะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์นะ ม, เเมททนีเวลาว่างเมื่อ่าทาทันทีเวลาว่างนี่ก็ จะเป็นว่างระหว่างวันหรือว่างระหว่างอาทิตย์หรือว่างระหว่างเดือนก็ตามอยู่บนรถนะอยู่บนรถนั่งรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ไม่ปล่อยเวลาเป่าไปโดยไร้ประโยชน์เราก็ภาวนาเจริญสติไปอยู่มาแต่ระวงที่คอยนะคอย คอยเพื่อนคอยคนระหว่งที่คอยสัญญาณไฟเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวก็ให้ภาวนาได้รีบภาวนาทันทีนความตายจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถึงจะไม่ตายก็อาจจะมีเหตุปัจจัยทำให้ภาวนาไม่ได้เช่นป่วยหนักนะ ป่วยนานนี่ังไม่ตายแต่ว่ามันภาวนานลำบากหรือพ้อมเกีีนท่านเปรียบนักภาวนาว่าเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของที่สถานีรถไฟหรือว่าที่สถานีบขอสอพอรถไฟหยุดนะหรือพอรถจอดนี่ เวลาไม่จะจอดเพียงแค่สามนาทีห้านาทีพูพปแค่ราค า, านี้ไม่ไม่รีบไม่รอไม่ปล่อยเวลาป่าไปจะไร้ประโยชน์ก็รีบขึ้นรถขายของทันทีรถจอดนานแค่ไหนสั้นแค่ไหนก็ตามก็นะรีบโช่วอกาศทันทีอันนี้คือ คือเหตุการณ์เมื่อสักสามสิบปีแล้วมั้งสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้การเฉลการก็คงยากแล้วรถบขสก็เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยมากคือรถไฟก็อังทีก็ไม่ค่อยจอดเท่าไหร่แต่สมัยก่อนนี้จอดอยู่ทุกสถานีพอขาแม่ค้าก็ฉวยโอกาสทันที <c oughs> นัาภาวนามียว่างเลื่ก็ก <c oughs> ต้องรีบภาวนา แต่ที่จริงเนี่ยนะจะรอแต่เวลาว่างก็คงจะไม่ไม่ทันการเหมือนกันนะต้องเชิญอกาศยิ่งกว่า น, นั้นเราจะรอเชิญอากาศภาวนาตอนที่ว่างมันก็ยังน้อยไปนะว่างไปว่าไม่ได้ทําอะไรนะแต่ถึงแม้เราทําแล้วก็ตามเนี่ยเราก็เชิญอกาศได้เชิญอากาศภาวนาในขณะที่ทําสิ่งนั้นไปด้วย เนี่ยาจะทำงานเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเป็นกิจส่วนตัวอาบน้ำถูฟันกินข้าวหลังจานถูบ้านบินทบาทไอ้พวกนี้ก็เรียกเป็นงานนะแต่ว่าเราก็สามารถจะภาวนาได้ถ้าเราเกิดโชตโอกาสนะระหว่างที่ ถูกวาหนับน้ำก็ภาวนาไปภาวนาในที่ไม่ได้แปลว่าสวดมนต์อะไรนะเราปฏิบัติธรรมเจริญสติไปนะการเจริญสตินี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมรูปภาวนาที่ที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขแรมากนะไม่ต้องใช้เวลาว่างก็ได้ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปแบบนะไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธินะึงจะเจริญสติได้แต่ง้งก็ต้องใช้เวลาว่างเนะช่นเวลาพักนะก่อนนอนหรือว่าเวลาเสาร์อาทิตยนะ์คอยลดคอยลดนัดเพื่อนเอาไว้อนะ่า มันนัหลักตาภาวนาแต่ว่านนั้นเป็นเรื่องรูปแบบนะการภาวนาหรือการปฏิบัติทรามในรูปแบบแต่การเจริญสตินี่มันทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกที่ทำได้กับทุกกิจกรรมกวาดใบไม้นะเย็บผ้าก็ภาวนาได้นะเจริญสติไปในตัว อย่างที่หลวงปู่กินเลี้ยเคยเคยเคยทักนะหพอชาหงชามุ่งมั่นในการปฏิบัติมากนะแต่ว่าบางทีก็ต้องมาเย็บจีวรทา่านก็พยายามเย็บให้เรียบริเสร็จนะรียบร้เย็บจะได้เสร็จท้าทางก็ดูน่น พอปู่กินนรีเห็นก็ไดยถามว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปทำไมเนี่ยพระเจ้าวาจะรีบไปภาวนาหลวงปู่กินรก็บอกว่าเนี่ยย็ดผ้าว่าภาวนาได้ก็ดูสติแล้วก็มีสติดูใจงตัวไปแล้วก็ทำนั่นเป็นปกตินี่ ความอยากท่วมหัวก็ยังไม่เห็นเลยนะความอยากอะไรความอยากจะภาวนายอยากจะรีบเย็บให้เสร็จเสร็จนะจะได้ไปเดินจงกรมจะได้ไปนั่งเย็บจีวรก็ภาวนาได้นะดูใจตัวเองไปใจมันก็เพื่มใจมไม่ปกติก็ทำให้ปกติซะ มันมีความรีบความอยากจะให้เสร็จเร็วๆก็เห็นมันซะนี่นักเชื้อนักภ า, านาเนี่ยเรียกว่างช่วยโอกาสทุกอย่างนะทำอะไรก็ตามก็ถือเป็นการปฏิบัติทําเป็นการเตรือนสติระหว่างที่สวดมนตนะ์เราก็มีสติการสวดบินทบาตเราก็มีสติการเดินบินทบาต อาบน้ำล้วก็มีสติรู้ตัวขนณะที่อาบน้าไม่ต้องปล่อยใจลอยไปคิดโน่นคิดนี่ไม่ต้องทาสองอย่างในเวลาเดียวกันการปฏิบัติธรรมมันก็ง่ายๆนะก็คือทําอย่างเดียวทําทีละอย่างถ้าถ้าทาทีละอย่างนี่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้นะเพราะมันเป็นการเลสติไปในตัว ทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่เต็มร้อยรับรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รับรู้ว่ามือกําลังเคลื่อนเท้ากําลังเดินนะแล้วก็มีความรู้สึกตัวไปด้วยทําอย่างนี้ได้สองอย่างนะได้ทั้งงานแล้วก็ได้ปฏิบัติ ด, ด้วย ถ้าเราอาบน้ำเราอาบน้ำอยู่มีสตินะั้นไม่ใช่แค่ร่างกายสะอาดเท่านั้นจิตใจเราก็สะอาดด้วยไม่มีเรื่องที่จะมาทําให้จิตใจเศร้าหมองวิตกกังวลบางคนร่างกายสะอาดนะแต่ว่าใจหม่นหมองเพราะว่าคิดถึงงานคิดถึงลูกคิดถึงอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เราทำสองอย่างนะแล้วก็กลับเป็นทุกข์นะ ไม่ทําอย่างเดียวพอทําอะไรใจก็อยู่สิ่งนั้นไม่ต้องคิดเรื่องโน้เรื่องนั้นไม่ต้องวางแผนอะไรไม่ต้องคิดเรื่องการทําครัวไม่ต้องคิดเรื่องจะไปทําอะไรเมื่อถึงที่ทํางานให้การโชว์อากาศไม่ได้ให้เขาเจาไม่ได้ไหมายถึงการโชว์อากาศเวลาว่างทุกครั้งที่มีเท่านั้นนะแม้แต่เวลาไม่ว่างนะเวลาทํานั่นทนํานี่มันก็ เจรสติปฏิบัติธรรมได้นะอย่างที่หลวงพ่อพุเทเถ่าเนี่ยการอารการปฏิบัติธรรมนี่เฉยโอกาส่มันไม่แค่เฉยเฉยเวลาทั้งว่างแล้วก็ไม่ว่างเท่านั้นนะแต่มหมายถึงการ่ฉยใช้ทุกอย่างที่ประสบพบเห็นนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธรรม หรือเป็นการปฏิบัติธรรมนะไปด้วยเห็นอะไรเนี่ยนะก็ไม่ใช่เห็นเปล่ปาๆนะแต่ว่าโยงเข้าสู่ธรรมะนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือโอกาสได้เหมือนกันนะเห็นใบไม้ร่วงดอกไม้โรยนะ เห็นอ่ะเห็นปอป่านะเห็นแล้วเออก็น้อมเข้ามาใส่ใจนะมองให้เห็นเป็นธรรมะนะกำลังสอนเรื่องอนิจจังให้กับเราสนะามเณนสุกเนี่ยเดินตามพระสารีบุตรนะไปบินทบาท ระหว่างทางก็เห็นชาวนาวกํลาลังวิทย์น้ำเข้านาเดินไปสักพักก็เห็นช่างไม้กํลาลังช่างธนูนะช่งางทําธนูกํลาลังดัดคันธนูเดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างไม้กํลาลังดัดไม้ท่านก็ได้แง่คิดขึ้นมาว่า ให้สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีใจ เ, เช่นน้ำหรือไม้ขันธนูนีย่ยังสามารถจะมาดัดมาใช้มาปรับให้เป็นประโยชน์ได้และคนเราเนี่ยที่มีจิตมีใจทำไมจะไม่สามารถจะดัดหรือปรับพัฒนาให้ดีขึ้นได้ <c oughs> แล้วท่านก็มีได้คิดต่อไปว่าหรือเกิดคำถามขึ้นมาว่าชาวนานี่เขาไถน้ำเข้านาช่างธนูก็ดัดลูกดัดัคันธนูช่างไม้ก็ดัดไม้แล้วเราควรจะทำอะไร คนเรานั้นทำนะปรับเปลี่ยนสิ่งภายนอกให้เป็นประโยชน์้วถ้าบัณฑิตล่ะนะก็ต้องฝึกตนนะพอท่านได้ได้เห็นเห็นธรรมะข้อนี้ท่านก็เกิดความตั้งใจนะอยากจ ะ, ะภาวนานะเป็นอย่างยิ่งนะก็ขอพระไตรบุฎมขอกลับไปที่ สำนักนะไม่ได้ให้เหตุผลพาะไซบกุก็อนุญาตพอสามเนี่สู่ไปถึงสำนักก็ภาวนานนะแล้วก็บรรลุธรรมในในในเช้านั้นนะคนเราเนี่ยปกติเห็นชาวนาเขากำลังไถน้ำเข้านาวิดน้ำเห็นช่างไม้หรือว่าช่างเหล็กก็ตามเนี่ยเราก็ เห็นก็มองเห็นหนักศักดิ์แต่ว่าเห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้มองให้เป็นประโยชน์อะไรนะแต่สามเณรนีมอแล้วก็เห็นเป็นธรรมะได้ที่ทําให้เห็นความสําคัญการฝึกต น, นขนาดสิ่งที่มันเป็นวัตถุสิ่งของ น, นี่ก็ยังดัดเปลี่ยนให้มันใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วคนเรานี่มีจิตมีใจทําไมนะทำไมถึงจะไม่ ปรับไม่เปลี่ยนไม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์คนอื่นเขาปรับเปลี่ยนสิ่งของนอกตัวแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตนั่นแหละนะสิ่งที่ทำก็คือฝึกตนนั่นแหละอันนี้เคยเก็จึงเป็นที่มาของพุทธพาเศท่วะบัณฑิตย่อมฝึกตนคนอื่นนี่มุ่งจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอก คนส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพต่างๆนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเป็นการจัดการสิ่งภายนอกจัดการกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้างนะจัดการกับสิ่งที่มีชีวิตบ้างเช่นเลี้ยงสัตว์นะฝึกสัตว์หรือบางทีก็ไปจัดการกับคนเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการกับตัวเองจัดการกับจิตใจตัวเองฝึกตนนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสามารนสูงนี่เป็นเรียกว่าเป็นนักเฉลิกระสิ่งที่เห็นนี่ไม่ปล่อยให้ผ่านไปเปล่าๆ่นะก็น้อมเข้ามาสู่ใจนะมองเป็นธรรมะได้พระติสระเดินน่ผ่านบ้านของ ข้บดีคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงนางทาสีกำลังร้องเพลงน้องเพลงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่เที่ยงชีวิตนะคนฟังส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็เอาเพลินนะอย่างเพลงมันบ่อน่าดอกนายเนี่ยคนฟังก็ฟังเพลินฟังตลกนะแต่จริงมันมีธรรมะมากพระฤาษะฟังก็ ไม่ได้คล้อยตามไม่ได้เพลยมากับเสียงเพลงนะแต่ว่าได้พิจารณาเนื้อร้องนะรากว่าบรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมพระอรหันต์เลยเพียงเพราะได้ฟังเสียงร้องของผู้หญิง ไม่ใช่วไปต้องเห็นธรรมะได้จากการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์สจับพระอาจารย์พวกติจ่างเดียวแมกระทั่งจากผู้หญิงซึ่งก็ร้องอาจจะร้องด้วยความเพลิดเพลินก็ได้หรือร้องด้วยความอ่านลัยก็แล้วแต่แต่นั้นไม่สําคัญนะมันอยู่ที่เราว่าเราจะรู้จักเฉลิมการหรือเปล่าถ้าเฉลิมกาเนี่ยพอได้ยินปุ๊บโอ้ก็เห็นเป็นธรรมะได้ พระนาสมาณเดินเข้าไปในเมืองก็กำลังมีขบวนแห่ก็มีหญิงสาวหลายคนกำลังฟ้อนรำประดับประดา ด, ด้วยเครื่องหอมแต่งกายวิจิตพิสดารสวยงามแต่ละนางก็สวยๆทั้งนั้นคนดูก็ดูแล้วก็เกิดความเพลินความเคลิ้มความคล้อยในแล้วจะเกิดราคะขึ้นมา แต่ว่าพระนัสมานเดินผ่านไปก็ไปเห็นนะหญิงสาวกำลังยิ้มแต่แทนที่ใจจะเกิดเป็นราคะเนี่ยก็กลับพิจารณาเห็นแล้วโอ้อันนี้มันบวกของมานั่นเนี่ยอันนี้รูปที่เห็นนี่มันเป็นเป็ น, ปนบวกของมารที่จะอ่าชุดที่จะพาคนไปจมอยู่ในอบายจมอยู่ในความทุกข์ ติดอยู่ในกับดักแห่งความทุกข์ท่านก็เห็นโทษของสังขารเป็นโทษของกามท่านก็บรรุธรรมเลยปัญญาเกิด น, นะก็บรรุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอันนี้ก็เราเป็นนักเฉโอกาสนะคือมองอะไรเนี่ยนะก็เห็นเป็นธรรมะไปหมดน พนเราเวลามองเห็นเหตุหการณ์แบบนี้ภาพแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งนะมันเกิดความหลงเกิดราคาขึ้นมาอย่างที่บอกไวแล้วนะกิเลสนี่นะมันเชลี่ยอกาสมันก็เป็นนักเชลี่ยอกาศนะกิเลสเป็นนักเชลี่ยอกาสมากมันเชลี่ยอกาศนะ มีอะไรก็ตามเกิดขึ้นตากระทบรูปหูไดเสียงนี่มันก็จะฉุากกาเข้ามาทันทีมาคลองจิตคลองใจเราอย่างเช่นถ้ารินได้ฟังเพลงเสียงเพลงกระทบหูนะเกิดความยินดีนะตัวกิเลสนี่มันเข้ามาทันทีเลยตาเห็นรูปหญิงสาวนะเกิดความพอใจอันนี้เปิดช่องให้กิเลสมันเข้ามาทันที แล้วก็รู้เกิดความหลงขึ้นมาทันทีมันเป็นนักฉวิโอกาสมากนะแม้แต่เวลาทำดีให้ทานรักษาศีลมันก็ยังฉวิโอกาสนะมาคลองจิตขลองใจนะให้ทานก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยากร่ำ อ, อยากรวยอยากไปเกิดเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาเนี่ยมันฉโอกาส แต่ที่จะให้ทานเพื่อลดความตนหนีนี่มันก็โชว์โอก า, าเข้ามาคลองใจเพื่อเพิ่มความโลภให้มากขึ้นหรือให้ไปแล้วก็เกิดความรู้สึกโอ้ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนใจบุญสูนทานจะเป็นคนประเสริฐ ท, ทันทีคิดว่าฉันเป็นคนดีนเนี่ยนะกิเลสมันก็รีบโชว์โอกาสเข้ามาทันทีเพราะว่าพอคิดว่าฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ย ใครที่ไม่ทำอย่างฉันก็ถูกมองเป็นคนไม่ดีไปเวลาคิดว่าฉันเป็นคนดีก็จะเรานีสูงกว่าคนอื่นใอ้คนที่ไม่ทำบุญอย่างฉันนี่เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่ดีเหมือนฉันมันจะมีความรู้สึกเกิดมานะขึ้นมานะมานะคือความสำคัญว่าฉันดีฉันเก่งฉันแน่พอคิดว่าฉันเป็นคนดีมีความพิดอะไรเกิดขึ้นก็ ก็ถือว่าดีใครที่คิดไ ม, ไม่เหมือนฉันก็กลายเป็นไม่ดีไปแต่ที่มองเห็นว่าเออความคิดนี้มันเกิดขึ้นนะก็ต้องรู้จักทักรู้จักทวงบ้างก็กลับไปคิดแบบนี้ในเมื่อฉันเป็นคนดีความคิดที่คิดอะไรก็ดีไปหมดนะคิดอะไรก็ถูกต้องไปหมดใครที่คิดไม่เหมือนฉันนะก็เป็นคนไม่ดี คิดไม่ถูกนะียมันไม่ได้ใช้เหตุผลแล้วล่ะในการพิจารณาอันนี้ก็เพราะว่ากิเลสหรือตัวมารณ์เนี่ยมันเข้ามามันโชวโอากาสทันทีงั้นถ้าเราหน้าปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ไมรีโชว์อกาสนะก็จะเสียท่าพวกกิเลสตัณหามานะ์เนี่ยมันโชว์อกาศเก่งมากเราต้องโชวโอกาศเก่งกว่ามันหรือว่าชโชว์อากานะ ไม่ไม่ด้อยไปกว่ามันนถ้าเราปล่อยเฉยแฉเฉยชาเนี่ยเฉยชาเนี่ยมันก็มีอะไรมีอะไรมีเวลามามีเวลาว่างแทนที่จะรีบเฉลอกระดับปฏิบัติธรรมไอ้กินเหลมก็จะรีบเฉลอกระดับเอาเวลาว่างนี่ไปปนเปืป้อนตัวมันอันนี้ก็เห็นบ่อยนะคนพอมีเวลาว่างก็ใจลอยบ้างหรือไม่ก็ เอาเวลาไปสนองกิเลสต้องเพลินกับอความสุขสบายบ้างนเพียงแค่นั่งเล่ น, นเฉยๆนี่ตัวกิเลสมันเข้ามาครองใจแล้วนะเวลาว่างเนี่ยว่างก็ช่างอยู่เฉยๆเน้ว ก, กายมีความประมาทขึ้นมาได้เป็นความหลงชนิดหนึ่งหรือเกิดความขี้เกียจ ข, ขึ้นมา อันนี้เจอการเนี่ยนะไม่ว่าตายรูนเสียงเนี่ยนะมีอะไรเกิดขึ้นทุกประสบการณ์ก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะรวมทั้งเวลามีอะไรมากระทบใจให้เกิดความคุ่นเครืองนะ มีเสียงต่อว่าด่าทอมากระทบหูนะมีเหตุไร้ไรเกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยก็ต้องโชว์โชการนะช่วยใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคำตำหนิคำต่อว่าดาทอเราก็มันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้หพรือเวลาเรารู้สึกขัดอกขัดใจขึ้นมาเนี่ยนะอะไรก็ตามที่ทำให้เราขัดใจเนี่ย เราต้องฉลาดนะในการเอามันมาขัดกิเลสให้หายเอามาขัดอัตตาให้เจือจางเบาบางลงไม่ใช่ว่าพอมีอะไรมากระทบแล้วเกิดความขัดใจขึ้นมาถ้าปล่อยไว้เฉยๆนะหรือไม่ทำอะไรนะกิเลสเข้ามาเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาแล้วมันก็จะฉุดเราให้จมลงไปในความทุกข์มากขึ้น หรือว่าเผาเราติดใจให้เจ็บปวดทุกทรมานให้ตัวกิเลสนี่ยมันพร้อมจะเข้ามาชวยอกาศยึดครองใจเราทุกครั้งนะไม่ว่าจะเจอรูปที่น่าพอใจหรือได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเจออะไรที่พอใจแล้วเพลินนี่ก็เสร็จมันเหมือนกันเจออะไรแล้วก็เกิดความขัดใจนะไม่พอใจก็เสร็จมันเหมือนกันนะ ต้องฉลาดกับมันนะเคยไลฟ์ฟังแล้วไปศึษาวัดกองหลวงพ่อหลวงปูข่ขาณนาฬโยวัดทรกลกองเพลนนะทำงานก็ขยันภาวนาก็เรื่องมีความเพียรสูงนะไม่ทิ้งทั้งงาน สงเคราะห์ุอุปถัปรรมภ์พระเนมซึ่งไปไประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ไม่ละเลยประโยชน์ส่วนตนในเรื่องภาวนามีวันหนึ่งหลวงปู่ขาวว่าสั่งให้ลูกศิษย์สองรูปเป็นพระไปไปดูดดาแม่ชีขาวพระสอรรก์ก็รีบสนองนะทันทีเลยนะไปที่กุฏิแม่ชีขาว แม่ชีสาแล้วก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าแมีษาที่แรกก็งงนะแต่ว่ามีสติดีก็ะก็พนมมือฟังโดยที่ไม่ได้มีความโ ก, กรธเกลียวะไรเลยพอพากสองลูกท่านดู ด, ด่าว่ากล่าวไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็เลยหยุดแม่ชีสาก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ท่าน ไม่มีอะไรจะดุด่าแล้วเหรือดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินที่เสียงดุดา่าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยข้าวหน้าก็นิมนต์อาจารย์มาดุด่าว่ากล่าวไมนะมันจะได้กิเลสนี้ได้หมดสักที มี่มมาดาหมนะ่นกิเลสไม่ได้หมดสักทีก็คือแม่จีสาร น, นะเห็นว่าคำดุด่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาช่วยขัดเกลายวติดใจได้เป็นสิ่งที่มาช่วยขูดกิเลสให้หมดไปได้คนส่วนใหญ่พอเจอคำดุด่าว่ากาเนี่มันไม่พอใจขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไม่มีสเติรรู้ทัน มันก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามา เ, เกิดความโกรธเกิดความน้อย อ, อกน้อยใจไม่เป็นอันทรรมอะไรกุ้มหักุ้มใจโวยวายตีโพยตีภายอันนี้เร้ ว, ว่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาชั่อโอกาสแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนานเนี่ยถ้าเราจะ ตัว ก, กิเลสเนี่ยเราต้องไวนะไวกว่ากิเลสในการที่จะเชลิโอกาสนะเอาคำพูดคำดุด่าว่ากาวนี่แหละนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องรู้จักชฉวยโอกาสชฉวยใช้มันมาขู่กิเลสทุกอย่างนะความสูญเสีย พ, พัดพลาของหายเงินหายงานมีอุปสรรคฝนตกแดดออก เจอผู้คนที่ไม่น่ารักเจอคนที่ไม่่คยเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลไม่ว่าแล้วก็ตามเนี่ยอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมามาฉุดกระชากลากใจเราให้เป็นทุกข์หรือว่าเกิดโทสะเกิดโลภะเกิดความหลงมากขึ้น ส่วนใหญ่ปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นแหละเปิดช่องให้กิเลนเข้ามานะคลองทิตครองใจแล้วก็บงการเราให้ด่าบ้างบงการเราให้ผิดศีลบ้างให้ทำชั่วบ้างนะหรืออย่างน้อยๆก็บน่นโวยวายตีโพยตีพายให้ลอง เตือนใจตัวเองนะทุกครั้งที่เราบน่นโวยวายตีโพดีตีพายเนี่ยไม่วันในใจหรือว่าพูดออกมาเนี่ยมันแสดงว่าเรากาลังเสียท่าแนละ้วเสียท่ากิเลสแล้วเรากําลังทำร้ายตัวเองแดดร้อนอ่ะมันก็ให้ให้ร้อนแต่กายแต่ว่าใจปกติมแมลงเยอะมันก็คันแต่กายนะแต่ว่าใจปกติไม่ใช่ซ้ําเติมตัวเอง เวลาไม่สบายแล้วก็บ่นตีโพยตีพายเนี่ยมันจะไม่ได้ป่วยแต่กายมันป่วยใจด้วยป่วยกายนี่เป็นพ่อเชื้อโรคนะแต่ป่วยใจหรือทุกข์ใจนี่เป็นเพ่อเราทำเองแสดงว่าไม่รักตัวเองนะมีความทุกข์แทนที่จะทําให้ทุกข์หมดไปหรือเบาบางกลับเพิ่มซ้ำเติมต้องให้มีสติรูท้ทันนะเวลาเราบน่นโวยวายตีโพยตีพาย ให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราเป็นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ถือว่าสอบตกแล้วนะไม่รู้ทันจิตใจงตัวเองปล่อยให้มันอวอยวายออกมาไอ้ที่วอยวายนะั้นมันกิเลมันวอยวายมันมนคลองจีคลองใจหรือมันหรือไม่มันก็สั่งให้เราบน่นวอยวายตีโพยตีพายนั่น การปฏิบัติเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเนี่ให้รู้ซื่อรู้สื่อรู้เฉยไม่ว่าอะไรลูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมันมากระทบนะก็ให้วางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นและเมื่อมันเกิดทำอารมณ์ขึ้นมาในใจเป็นความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาความหงุดหงิดความรำคาญความเบือ่อ ก็ให้เห็นมันวางใจเป็นกลางกับมันไม่ต้องกดข่มมันแล้วก็อะไรที่มันเป็นความน่ายินดีก็ไม่ใช่เคลิ่มคล้อยไปกับมาโกรธก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักใช้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นการเป็นเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของนักปฏิบัตินะไม่ใช่แค่เอาเหตุการณ์ลบรูกลดกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจ ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกจิตฝุดใจของเราเท่านั้นเนะม่่าจะเป็นเสียงดา่านะแดดร้อนอากาศหนาวความสูญเสียพัดพร้าวนะที่เรียกว่าโล ก, กธรรมไม่ใช่แต่โล ก, กธรรมฝ่ายลบนะที่เราต้องจกักจุวยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไอ้ธรรมารมเนี่ยฝ่ายลบก็เหมือนกันนะ ความโกรธความหงุดหยิดความรําคาญให้พวกนี้รวมทัาความเบื่อด้วยเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้ารู้จักใช้ต้องใช้โอกาสด้วยเหมือนกันใช้ใมันให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยให้มันใช้เราทุกวันนี้ปล่อยมันเราปล่อยให้มันใช้เราเนี่ยปล่อยให้ความโกรธมาใช้เราให้ด่าความโกรธใช้เราให้ กชกหัวตัวเองบางคนก็ปลอยความเนื้อเนื้อตามใจนะใช้ให้ตัวเองเนี่ยทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็มีต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะมันก็สอนทำได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันก็แสดงทำให้เห็นนิวรก็เหมือนกันนะนิวรเนี่ยมันเป็นอุปสรรคขัดขวางการทําสมาธิการทําความดี มันเป็นภาษาเมื่อเราเ็าไปเป็นนะเข้าไปเป็นมันแต่ถ้าเราเห็นมันนี่มันเป็นประโยชน์นะมันฝึกสติให้รวดเร็วฉับไวก็ได้หรือว่ามันแสดงสอนทำให้เห็นนะพระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขานัตตาก็ได้การเจริสีประธานข้อสุดท้ายในเห็นธรรมในธรรมเนี่ยก็คือเห็น เห็นเข้าใจนะนิวรณ์ห้าเป็นเบื้องต้นเลยเข้าใจธรรมชาติของนิวรห้าแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็เห็นทะลุเข้าไปถึงเรื่องของอนัตตาได้ทะลุถึงอนิจจังทุกขังได้ันั้นเรื่องการโชวกาเนี่ยนะ่วยใช้ทุกอย่างไม่ว่าเวลาที่มี ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดกับเราไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าเกิดกับร่างกายเกิดกับทรัพย์สินเกิดกับงานการก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับใจนะก็เอามาใช้ให้เกินประโยชน์ได้อย่าปล่อยใจจมอยู่ความทุกข์ความเศร้าความโกรธ อย่าปล่อยอย่าจมอยู่กับการบน่นตีโพยตีพายโวยๆให้ลองฝึกใจข่มใจดูบ้างนะเวลามันมันคิดจะบน่นขึ้นมาก็ออไม่ไม่ปล่อยให้มันหลุดออกมาทางปากของเรานะอย่างน้อยก็ฝึกเอาไว้ก่อนใจปากไม่บนนะ่นถึงแม่ใจมันก็จะงุดหยุดลำคาญ ตอนหลังเนี่ยก็รู้ทันนะแล้วก็แค่ดูมันเฉยเฉยไม่เข้าไปเป็ น, ม, นมันก็จะหายไปต่อไปเนี่ยเวลามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะกัดไปต้องไปกระตุ้นนะให้มันเกิดเพื่อจะได้สึกมันนะพอมันสงบพอมันนิ่งแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องไปหาเรื่องนะเพื่อกระตุ้นให้มันลองเกิดขึ้นมาในใจดู ไปเจอความยากลำบากเพื่อดูว่าเราจะหงุดหงิดําคาญไหมอย่างเดินธรรมยาตาเนี่ยนะพอมันสบายเดินแล้วสบายแล้วต้องหาเรื่องให้มันยากขึ้นเดินถอดรองเท้าหรือว่าเดินรองย่างเหยียบในที่ที่มันไม่สะดวกสบายดูว่าใจเป็นยังไงต้องหาทางเขย่าให้มันเกิดขึ้น ไปได้ฝึกสติแล้วไปว่าบลุงพ่อเทียเนี่ยเวลามันใจมันเวลาใจมันนิ่งแล้วไม่มีความคิดเกิดขึ้นนี่ท่านต้องท่านก็จะแนะให้เดินเร็วขึ้นนะยกมือให้ไวขึ้นเพื่อขยิบเหวี่ยให้ความคิดมันออกมาไม่ใช่พอใจความสงบนะแต่ว่าต้องหาเรื่องขยิเหวี่าเพื่อได้ใช้มันเป็นเครื่องฝึกจิตนะให้ไวให้รู้ทานความคิดได้ไวขึ้น ไม่ใช่พอสงบแล้วก็เพลินพอใจกับมันกลายเป็นประมาทไปชาลิกุกตะ น, นีนะครับคระ